มาเจริญพนทุกท่านพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งสองเดือนเดื อ, นอเอนได้ภาวนาไหมใครปฏิบัติทุกวันบ้างยกมือสิอคใครนานๆทำจริงมีไหมดีกว่าไม่ทำ การภาวนานะมันไม่ยากหรอกแต่มันต้องทําสม่ําเสมอเพราะกิเลสมนะันเกิดทั้งวันกิเลสไม่ใช่นานๆเกิดจีหนึ่งถ้าเราไม่หัดจเจริญสติจเจริญปัญญากิเลสมันเกิดครั้งเดียวสติปัญญาไม่เกิดจะเอาอะไรไปสู้มันเราก็รักษาตัวไม่รอดเมื่อถูกกิเลสมันลากเข้าไปแล้ครอบงําใจความทุกข์ทั้งหลาย ที่มาสู่ใจเราได้เพราะกิเลสมันครอบงำหน้าที่เราก็ต้องต่อสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันพระพุทธเจ้าก็สอนสอนนะซ้าแล้วซ้าอีกคาสอนของท่านนะมีแต่เรื่องต่อสู้เอาชนะกิเลสวันหนึ่งชนะแล้วนะหัวร้อยย่อกิเลสได้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะท่านหัวล้อยย่อกิเลสท่านยอเยยตัณหา ตันหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วต่อไปนี้สร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้เรือนเก่าเราก็ทำลายไปแล้วเรือนคือก็คือภพนั่นเองภพก็คืออะไรคือการที่จิตใจมันดิ้นรนคือการการทำงานทางใจเป็นภพการทำกรรมของจิตนั่นมีความจงใจที่ดีบ้างที่ชั่วบ้างนะก็ปรุงสร้างภพขึ้นมาภายในใจมันหมุนติ้วเตีวตีว ทำงานด้วยอำนาจของความอยากบางทีก็อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากให้สิ่งที่มีที่เป็นหายไปมีความอยากอะไรเกิดขึ้นแต่ละคราวใจก็เกิดความดิ้นรนพวกเราดูออกไหมเวลาความอยากเกิดใจมันดินด้นจะดิ้นนี่ความอยากมันเกิดทั้งวันใจมันก็เลยดิ้นทั้งวัน ทุกคราที่มีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะถูกบีบถูกเค้นนะังนั้นใจไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสงบเราก็ต้องค่อยๆสังเกตนะค่อยฝึกด้วยวิธีของพุทธเจ้าเชิญทำลายกิเลส ท, ทาลายตัญหาเด็ดขาดใจก็ไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกคุกคามนะมนะไม่ดิ้นรนนะใจเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง ความสุขอันนี้ เ, เงินซื้อไม่ได้นะคนยากคนจนหรือคนร่ํารวยก็มีโอกาสเท่าๆกันคนเรียนหนังสือมากเรียนหนังสือน้อยก็ปฏิบัติได้ไม่ได้อยู่ที่ไอคิวอยู่ที่อะไรหรอกอยู่ที่ความอดทนเริองต้นอดทนฟังให้รู้เรื่องก่อนว่าวิธีปฏิบัตินั้นทํำยังไงพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็อดทนปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก ทำไมต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องกิเลสยังซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยนะกิเลสมันมีอยู่สามตัวเองราคาทสวษโมหะมีอยู่แค่นี้เองก็ยังกลองโลกได้หลอกเราได้ทุกวันนะในราคาทัวษาโมหนะนี่โลภโกรดหลงหลอกเราอยู่ทุกวันเราก็ถูกมันหลอกมาแต่ไหนแต่ใด น, นะจะสู้กับมันแล้วก็มีเครื่องมือนะมีศีลมีสมาธิปัญญาศนะีลที่ถูกต้องไม่ใช่ศีลงมงาย สมาธิถูกต้องนะมีสติมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีปัญญาถูกต้องเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะปัญญาไม่ใช่ขี้เนา3าต่อสนะกิเลสมันมีราคาโทสะโมหะเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญากิเลสฝึกทุกวันมันซ้อมทุกวันแต่ศีลสมาธิปัญญาไม่เคยซ้อมเลยไปสู้กันได้ยังไง เหมือนนักมวยคนละชั้นนะไอ้คนหนึ่งซ้อมชกทุกวันนะไม่เคยหยุดเลยขยนันขยนันเราหลับแล้วกิเลสยังไม่หลับเลยยังทํางานได้เคยไหมเคยฝันแล้วโกรธไหมเคยฝันแล้วกลัวไหมอยังฝันแล้วโกรธฝันแล้วกลัวโอกาสตกนรกยังมีนะเคยฝันแล้วเกิด ร, ราคนะเ ก, กิดอนะไรไหมโอกาสไปเป็นเปรตยังมีอีกนะฝันแล้วฟุ้งซ่านฝันสเป ส, สปะ โอกาสไปเป็นเดรัจฉานยังมีอีกนีกิเลสมันไม่เคยละไม่เคยเบนนะทางานทั้งวันทํางานทั้งคืนเพราะถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ข ย, ยันทํางานบ้างมันจะไปสู้กันได้ยังไงเด็กคนหนึ่งซ้อมชคทั้งวันเลอีกคนหนึ่งไม่เคยซ้อมเลยเอามาสู้กันมันสู้กันไม่ไหวศัตรูร้ายของเราจริงๆกิเลสของเรานี่แหละกิเลสเรามนี่อมตะนะไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นอกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอก นี่เราพยายามมาขุดคุยมันทาลายมันไปให้ได้พัฒนาเครื่องมือที่เป็นกุศลในปราบอคุศล3ตัวนะี้ศีลนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทําให้กายวาจาของเรามีความพร้อมสําหรับการปฏิบัติธรรมสมาธิเป็นเครื่องมือเตรียมใจให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติธรรมเนี่ยศีลสมาธิก็จะเป็นการเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติ การเจริญปัญญานั่นแหละคือการปฏิบัติทําตัวจริงเป็นงานหลักที่เราจะต้องทําให้ได้มีศีลขึ้นมาก็สู้กิเลสหยาบหยาบได้มีสมาธิขึ้นมาก็สู้กิเลสปานกลางมีปัญญาก็สู้กิเลส ช, ชั้นละเอียดขุดลากถอนโคลกิเลสได้ถ้าไม่มีปัญญานี่ขุดรากขุดเงากิเลสไม่ได้นี่ต้องค่อยๆพัฒนานะเบื้องต้นเราก็ต้องมีศีลแบบตั้งใจมี ตั้งใจฝึกสมาธิตั้งใจเจริญปัญญาเบื้องต้นต้องตั้งใจไปก่อนมีเจตนาแล้วนะฝึกซ้อมทุกวันจนวันหนึ่งมันอัตโนมัติศีลนี่าอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติไม่มีเจตนาไม่เจตนารักษาศีลศีลมาเองไม่เจตนาให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเองไม่เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเห็นเองถ้าลงหมดเจตนาเนี่ยใจเขาจะไม่ทำกรรม แลถ้าบารมีเราพอเนี่ยมรรคผลไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดในภพหรอกมรรคผลไม่เกิดในภพงั้นยังเจตนาอยู่มรรคผลไม่เกิดหรอกมรรคผลเกิดตอนที่ไม่ได้เจตนานเพราะฉะั้นเราทํามรรคผลให้เกิดไม่ได้เราเจตนาทำเนี่ยทำไม่ได้แต่าอาศัยเจตนาก่อนเจตนารักษาศีลเจตนาฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเจตนาเจริญปัญญา เบื้องต้นมีเจตนาคนตอนนี้พวกเราใครถือศีลได้ดีบ้างมีไหมใครรักษาศีลห้าได้ดียกมือซีมีไหมไม่ดังพร้อยนะดีเรารู้สึกว่ากูเก่งไหมถ้ารักษาศีลได้ดีแล้วกูเก่งกว่าประเดื่นนะประเดื่นไม่มีศีลอนนียศีลอย่างนี้ยังศีลไม่ดีพอเป็นศีล ที่เปรียบเขาเทียบเราเป็นไปเพื่อกิเลสอีกใจกายกูเนือกว่าคนนึ่งใครทำในรูปแบบทุกวันบ้างองเปิดซิมีไหมสงบบ้างไหมตั้งมั่นไหมเวลาปฏิบัติเรื่องของจิตใจมันก็มีสองอันมีความสงบก็มีความตั้งมั่นสงบก็อยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร่ไป ตังมันก็จิตเนี่ยถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดนะูเป็นผู้เห็นเห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันทํางานนะใครเคยเห็นใจรักณ์ของกายของใจแบบไม่ได้เจตนาจะเห็นแล้วมันเห็นนะเคยมีไหมอยู่ๆก็รู้สึกร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีไหมนะใครเคยรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราบ้างมีไหมนะก็มีเหมือนกันนะแต่มันยังมีเป็นคล า, าวนะมันยังไม่ตัด ถ้ามันเห็นจนมันถ่องแท้รามันถึงจะตัดเบื้องต้นอาศัยความจงใจอาศัยการทำดีก่อนเจตนาละชั่วเจตนาทำดีก่อนเบื้องปลายเนี่ยพอจิตมันคุ้นเคยกับการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้ไม่ต้องเจตนามันเป็นอัตโนมัติแลวตรงถึงจุดที่เขาอัตโนมัติเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่นานมีโอกาส เวลาจะทำผิดศีลพวกเราเห็นไหมมันรู้ทันไหมล้วละอายใจไหมเวลาจะทำผิดใครเวลาจะทำผิดศีลรู้สึกละอายใจยกมือสิมีไหมอุ้ยสาธุค่อยสมเป็นลูกพระพุทธเจ้าหน่อยนะเนี่ย <c oughs> ทำผิดศีลหน้าด้านอย่างเดียวใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราภาวนานะเราค่อยเรียนค่อยรู้นะเ <c oughs> วลาจะทำผิดศีลทำไม่ได้หรอกมันมีฮิรูอตตะปะนะ ในเบื้องต้นก็ตรงจงใจตั้งใจนะตื่นนอนมาก็ตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจวันหนึ่งหลายๆรอบเป็นการเตือนตัวเองให้มีศีล น, นะต่อไปเวลามันจะทําผิดศีลมันจะละอายใจแล้วก็ค่อยๆฝึกสติขึ้นมาสตินี่เป็นของสําคัญที่สุดเล ถ้าขาดสติเส้นเดียวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไม่มีเลยมีสติก็มีศีลนะมีสติก็มีสมาธิที่ถูกต้องถ้ามิจฉาสมาธินี่ไม่มีสติได้นะมีสติถึงจะมีปัญญาเห็นเบื้องต้นเราต้องฝึกสติสติเป็นธรรมมีอุปการะมากต้องฝึกตัวนี้ให้ได้เครื่องมือสำคัญเลยสติเป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจ เป็นตัวรู้ทันมันจะรู้ทันได้นะถ้ามันเคยเห็นบ่อยๆงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆคอยรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆจะเป็นสติจะเกิดเองพอร่างกายเคลื่อนไหวไม่เจตนารู้สึกก็รู้สึกได้เองจิตใจเคลื่อนไหวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วไม่เจตนารู้สึกก็รู้สึกได้เอง เนี่ยต้องฝึกนะสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกของฟรีไม่มีทุกอย่างต้องลงตุลลงแรงด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นเลยใครก็มาให้เราไม่ได้แนละ้วสติต้องฝึกเอาเองศีล ส, สมาธิปัญญาก็ต้องฝึกเอาเองที่กิเลสก็ไม่มีคนอื่นให้เรานะเราก็ฝึกของเราเองเคยเห็นไหมคนบางคนสาวๆนะไม่ค่อยบน่นอยู่ไปจนแกแล้วขี้บน่นะทาไมขี้บ่นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่า ชั่วโมงฝึกปลือมันสูงขึ้นน ะ, ะหรือตาเท่าหนุ่มๆมไม่ค่อยเจ้าชู้เคยเจ้าชู้สักรายหนึ่งสักครั้งหนึ่งต่อไปขยันเจ้าชู้ชำนาญขึ้นเนะนี่ยฝึกปลือพลังฝึกปลือมันเพิ่มขึ้นฝ่ายชั่วมันก็ฝึกปลือนะฝ่ายดีเราก็ต้องฝึกเหมือนกันวิธีที่จะฝึกให้เราเกิดสติบ่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง นะการมาฐานในไก่ก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงโหลวงปู่เหรียนนะโหลวปู่เหรียนบอกหายใจเข้าหายใจออกนะมีสติไว้นะี่ยเราหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกไปด้วยอย่าใจลอยใจหนีไปละใจฟุ้งซ่านไปละคอยรู้ถัด น, นมารู้ลมหายใจในสุดจิตมันชํานาญในการรู้ลมหายใจนะอยวถ้าใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ หายใจแล้วก็คอยรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวจิตหนีแล้วรู้บ่อยๆต่อไปเวลาจิตมันเผลอไปนะเราหายใจเปลี่ยนจังหวะขึ้นนิดเดียวหายใจแรงขึ้นนิดเดียวนะสติจะกลับมาเองเลยลค่อยๆฝึกไปนะจนสติมันเกิดขึ้นสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนั่นเองต้องเห็นบ่อยๆมันถึงจะจแม่น อย่างเราหัดดูจิตดูใจของเรานีคนไหนขี้โมโหเราก็หัดดูความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธหายไปรู้ทันคนไหนขี้โลภเราก็หัดดูความโลบเกิดขึ้นรู้ทันความโลบหายไปรู้ทันคนไหนช่างฟุ้งซ่านก็คอยรู้ทันใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจไม่ฟุ้งซ่านก็รู้คนไหนชอบหดหูก็รู้เราบางคนชอบหดหูใจหดหูขึ้นมารู้เอาใจหายหดหูรู้เอาหัดรู้บ่อย หรือบางคนหัดดูความสุขความทุกข์นะความสุขเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกนะความสุขความทุกข์หายไปรู้สึกเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ก็ได้หรือดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจก็ได้ความสุขเกิดก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะความเฉยเฉยเกิดก็รู้ความเฉยเฉยหายไปก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะหัดรู้บ่อยๆต่อไปมันจะรู้ได้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ เวลาเกิดความสุขในใจขึ้นมาแวบขึ้นมาเนี่ยสติเราลึกขึ้นมาเองเลยว่าโอ้มีความสุขเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้ได้เองงั้นเราเบื้องต้นเลยนะอันนี้ต้องฝึกทุกคนเลยพอเราฝึกชำนิชำนาญขึ้นมาแล้วอาศัยสตินี่เองมาพัฒนาให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องให้เกิดปัญญ า, า, าใช่ไหมหลวงพ่อมีคําว่าศีลใช่ไหมสมาธิต้องมีคําว่าที่ถูกต้องศีลเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วล่ะสมาธิเนี่ยอาจจะผิด แล้วปัญญาเนี่ยถูกอยู่แล้วไม่ต้องมีคำว่าปัญญาถูกต้องนะแล้วสมาธิเนี่ยตัวผิดพลาดร้ายแรงผิดง่ายที่สุดเลยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะที่เขา้าภาวนากันแทบเป็นแทบตายแล้วไม่ได้มักได้ผลอะไรก็เพราะเรื่องของสมาธิไม่ถูกนี่เองนะเอาแต่ความสงบความนิ่งลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวไปงั้นเบื้องต้นนะพวกเราฝึกให้มีสติก่อนหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะ ยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกนะสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเยรู้สึกดีก็รู้สึกนะโลบโกรธหลงก็รู้สึกเอาอันไหนเด่นนะตัวไหนเห็นชัดเอาตัวนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่รู้บ่อยๆดูกายชัดแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยดูกายไปดูจิตชัดแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยดูจิตไปเราเอาความรู้สึกนะความรู้สึกตัวเราไม่ได้เอากายไม่ได้เอาจิตหรอกกายกับจิตเป็นของที่ต้องทิ้งทั้งหมดเลยนะ แล่เเอาความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะได้หันมาเรียนรู้มาพัฒนาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาสุดท้ายไม่ได้ว่าจะเอากายเอาจิตนะท้ายปล่อยทางกายปล่อยทางจิตนเพราะงั้นไม่ใช่ว่าสายไหนสายไห น, ไหนวิเศษหรอกนะถ้าเบื้องต้นเนี่ยดูกายแล้วเกิดสติก็ดูกายคนไหนดูจิตแล้วเกิดสติก็ดูจิตไปนะทางไหนทางไหนก็ได้ใช้ได้ได้สติ ด, ด้วยกัน ต่อไปพอได้สติแล้วนะบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตสติชาบรู้กายเห็นไตรลักษณ์ของกายสติรู้จิตเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ได้เอาทั้งกายไม่ได้เอาทั้งจิตนะแต่เอาให้เห็นไตรลักษณ์เอาให้เห็นความจริง <c oughs> งั้นสายน้นสายนี้ไม่มีนัยยะอะไรเท่าไหร่หรอกนะเป็นแค่จุดตั้งต้นของการฝึกเท่านั้นเองถนัดดูกาย ก, ายก็เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวนะ พอเผลอไปแล้วลมหายใจเปลี่ยนจังหวะอย่างโกรธขึ้นมาพอโกรธปุ๊บเนี่ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะหรือมีความใคร่ขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนจังหวะสติมจะเกิดเองมันจะรู้เลยนะจะกลับมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยพราะเราคอยฝึกตัวนี้นะสิงของสําคัญต้องซ้อมทุกวันจะมาถือว่าเก่งแล้วไม่ฝึกสติไม่ดีหรอกนะสติก็ต้องซ้อมนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดต้องซ้อมทุกวันทุกวันนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ถนั ด, ดูกายก็ดูกายนะแล้วก็ให้มันมีสติคอยรู้สึกตายอยู่นะถนั ด, ดูจิตก็ดูจิตไปแล้วค่อยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเดี๋ยวสติมันเกิดเองนี่พอมีสติแล้วเนี่ยอาศัยสตินี่แหละมาคุ้มคลองรักษาจิตนะจิตนี่จเป็นตัวสําคัญนะเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งกลวงเลยกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตสตินี่เป็นเครื่องรักษาจิต ทันทีที่สติเกิดนะจิตที่ชั่วจะดับทันทีจิตชั่วอันใหม่จะไม่เกิดในขณะที่มีสติจิตที่ดีนะจะเกิดขึ้นทันทีที่เกิดสติแล้วสติเกิดกัจิตที่ดีเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญา ม, มันจะงอกงามขึ้นไปงั้นเราต้องมาพัฒนานะให้มีสติให้มากเคยได้ยินชื่อสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือ เอากายเอาความสุขทุกนะเอาความปรุงดีปรุงชั่วเอารูปประธรรมนามมาทำเนี่ยมาเป็นเครื่องรู้เพื่อจะให้เกิดสตินะรู้เพื่อให้เกิดสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะสุขทุกขรู้สึกดีชั่วรู้สึกเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นจิตใจทํางานรู้สึกหัดรู้สึกเนี่ยนะในสุดเราจะได้สติขึ้นมา พอมีสติแ ล, แล้วแล้วก็มาพัฒนาต่อนะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตไปนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันนะรู้จักกิเลสไหมโลภหลดหลงพวกเรารู้จักทุกคนนะ่นะรู้ก็รู้ได้นะแต่ไม่อยากรู้เวลาราคาเกิดเวลาความโลภเกิดนะเราไม่ดูว่าใจมีราคาเราไปดูของที่เราชอบดูคนที่เราชอบเดีย่ยวเราเห็นสาวสวย จิตเกิดราคาเนี่ยเราไม่ดูว่าจิตมีราคะเราบวชแต่ดูสาวสวยเนี่ยหรือว่าคนขับรถปาดหน้าเรานะโทสะเกิดเราไม่ดูว่าโทสะเกิดเราไปดูไอ้คนที่ปาดเราโน่นนีไปโน่นแล้วจะเอาคืนแม้เราไปดูคนอื่นนะไปดูคนอื่นไปดูสิ่งอื่นเราไม่ย้อนมาดูกิเลสในใจของเรานีง่ายนิดเดียวเลยนะพอเรามีสติเราคอยรู้ทันรู้สึกตัวอยู่นะกิเลสอะไรเกิดที่ใจเรารู้กิเลสอะไรเกิดที่รู้นะไม่ต้องพูดเรื่องรักษาศีล ศีลจะมาเองเนี่ยศีลอัตโนมัติมันเกิดจากสติคุ้มครองรักษาจิตนะพอสติเกิดเท่านั้นแหะศีลมันมาเองละให้คอยรู้เท่าทันคอยรู้สึกนะต้องซ้อมให้มีสติทุกวันทุกวันแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันฟุ้งสัน้นมันฟุ้งไปในอารมณ์ที่รักก็มีนะเรียกว่ากามฉันทะมันฟุ้งไปในอารมณ์ที่เกลียดก็มีเรียกพยาปาทะพยาบาทฟุ้งไปจับจด จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนเรียกว่าอุทัด จ, จะนะับอุทัด จ, จับจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนที่ชักจะหงุดหงิดนี่เป็นอุกุบกุด จ, จะนะับแล้วก็คิดมากคนะิดมากสงสัยมากนะใจก็โม่แต่คิดค้นคว้าหาคําตอบนะมีวิจิกิจฉาคิดมากหรือฟุ้งซ่านมากหรือมีราคามากมีโทสามารถสุดท้ายก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะจิตซึมไปโดยนะเป็นถีนมิตระ เนี่ยเป็นกิเลสระดับกลางนะเรียกว่านิวรณ์เพราะอาศัยสตินี่แหละรู้ทันใจเราหลงรักเรารู้ใจเราเกลียด ร, รู้ใจฟุ้งซ่านรู้นะใจหดหูก็รู้ใจลังเลสงสัยก็รู้รุ่มไปด้วยทันทีที่สติเกิด น, นิวรก็ดับเหมือนกันเพราะนิวรเป็นกิเลสนะพอนิวรดับสมาธิเกิดอัตโนมัติศัตรูของสมาธิคือนิวร น, นะถ้าเมื่อไหร่จิตไม่มีนิวรเมื่อนั้นจิตมีสมาธิ อย่างพระอรหันต์นะจิตไม่มีนิวรณนะ์สมาธิอัตโนมัตินะไม่มีเสื่อมพระนาคาเนี่ยสมาธิอัตโนมัติไม่เสื่อมพระโสดาสกทาขานี่นิวรณ์ยังยังเข้ามานะสมาธิยังเสื่อมได้อยู่ยังมีรักมีเกลียดมันแรงนะมีรักมีเกลียดอยู่ใจก็ถูกลากฟุ้งออกไปอีกให้เราคอยรู้นะให้เรามีสติคอยรู้ทันนะจิต มันชอบใจในอารมณ์รู้ทันจิตมันเกลียดอารมณ์รู้ทันจิตมันจับจดอารมณ์จับอารมณ์นี้จับอารมณ์น้นรู้ทันจิตมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันจิตมันลังเลสงสัยอยากได้คําตอบรู้ทันจิตมันหดหู่หมดเรี่ยวหมดแรงละทําตามนิวรณ์ตัวอื่นมามากแล้วจนหมดแรงซึมลงไปเลยรู้ทันรู้ลงไปนะรู้รู้ไม่ต้องไปแก้มันมันหาเองเพราะเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับ เรารู้ว่าใจรักเนี่ยใจจะเลิกรักรู้ว่าใจเกลียดใจก็เลิกเกลียดรู้ว่าสงสัยนะก็าหายสงสัยอย่างบางคนสงสัยแล้่ก่อนมีมากนะสงสัยหลวงพ่อบอกสงสัยแล้วรู้ไหมว่าสงสัยนให้รู้ว่าสงสัยเท่านั้นเองสงสัยเกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยคอยรู้ทันนะอาศัยสตินี่แหละรู้ทันสมาธิก็เกิดเพราะศัตรูของสมาธิถูกทำลายไปมีสติรู้ทันกิเลสนะ กิเลสดับไปศัตรูของศีลถูกทําลายไปมีศีลอัตโนมัติมีสติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับไปถูกทําลายไปศัตรูของสมาธิไม่มีสมาธิอัตโนมัติก็เกิดขึ้นมาทีนี้ก็มาใช้สตินี่แหละมาคอยดูกายมาคอยดูใจเรียกว่าขั้นเจริญปัญญาดูกายสิร่างกายนี้มันเป็นยังไงของจริงของกายนะ กายนี้เป็นตัวเราจริงหรือเปล่านะคอยดูกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข oh ์นะหรือว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างพวกเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นสุขบ <cond> ้างเป็นทุกข <mud ys> <isn 't. c oughs> ์บ้างนะแต่ถ้าเรามีสติอยู่ในกายเนืองๆเราจะไม่เห็นหรอกว่ากายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่าตอนนี้นั่งพัดอยู่เพราะอะไรเพราะมันทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์เพราะอะไรเพราะความร้อน ถ้าหนาวก็ทุกข์อีกใช่ไหมต้องหาผ้ามาหม่มทุกข์เพราะความหนาวทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความปวดเมื่อยรู้สึกไหมต้องนั่งขยับไปขยับมาทําไมต้องขยับเพราะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์ตามบทขยี่อยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วๆไปเนะี่ยไม่เคยมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายก็เลยไม่รู้สึกอย่างพอคันคันขึ้นมาก็เกา่านะหลายคนเกา่านั่งที่หลวงพ่อเนี่ยจะเห็น พวกเราเนี่ยหลวงพ่อค่อนข้างเชื่อว่าพัฒนามาจากลิงนะไม่จ้ากเกาก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกตลอดเวลานะเนะพราะอะไรเพราะมันทุกนะข์คันก็ทุกข์ใช่ไหมก็เกาแก้ทุกข์นี่พอเราคันอัตโนมัติเราก็เกาอัตโนมัตนะิเราไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกขนะ์นะเราเมื่อยเราก็ขยับเลยขยับไปขยับมาเราไม่ทันเห็นเลยว่ามันเมื่อยนะเราเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเพื่อนหนีทุกข์ไปเรื่อย เงืนท่านถึงสอนว่าอิริยาบถนะการที่เปลี่ยนท่าทางอะไรเนะี่ยมันปิดบังความทุกข์ไว้ทําให้เรามองทุกข์ในกายนี้ไม่ออกนะอย่างร่างกายหายใจออกนะถ้ามีสติอยู่ก็จะเห็นหายใจออกเดี๋ยวก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายความจริงก็ต้องปรากฏขึ้นมาจนได้มันหนีความจริงไม่พ้นหรอกความจริงคือมันทุกข์นะแล้วก็ดูร่างกายไปร่างกายเป็นวัตถุ มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเดี๋ยวดื่มน้าก็กลายเป็นเหงื่อออกไปเป็นปัสสาวะออกไปมีธาตุหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าธาตุไม่หมุนนั่นก็ตายนะทนอยู่ไม่ได้เนี่ยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนะไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาอะไรหรอกมันไม่มีหรอกนะมัแค่วัตถุอาศัยวัตถุอาศัยก้อนธาตุของโลกสมบัติของโลก มายืมเขาใช้ชั่วคราวไม่นานก็ต้องคืนเข้าไปไม่ยึดครองตลอดการไม่ได้จะดูของจริงในกายนะจะเห็นในร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบพันตลอดเวลาร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเรายืมของโลกมาใช้ถ้ามาดูจิตดูใจนะเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดียดเด๋ยวก็ร้ายนะี่หัดดูไปด้วยดูไม่ใช่เพื่อจะเอาสุขเอาสงบเอาดีนะ ไม่ใช่ว่าเห็นกิเลสเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหาทางละไม่ต้องละเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขนะจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ภาวนาเอาสงบนะภาวนาสงบนี่เป็นขั้นเบื้องต้นขั้นสมถกรรมฐานฝึกให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะนี่พอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจิตใจเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยสุขก็อยู่ชั่วคราว เดี๋ยวก็หายไปทุก็อยู่ช่วคราวเดี๋ยวก็หายไปทุกคนลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มอย่างสดชื่นไม่ค่อยได้ผลแบบตั้งใจมากเลยแล้วยิ้มใจยังทื่อๆอยู่นะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดสังเกตไหมใจขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละใจตอนนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ย ดูสิใจที่คลายตอนนี้ยใจกําลังคลายอยู่ดูสิเที่ยงไม่เที่ยงอย่าคิดเอาดูเห็นไหมใจไม่คลายแล้วใจเริ่มนิ่งแล้รู้สึกไหมเนี่ยดูของจริงอย่างเงี้ยนะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุขก็สุขชั่วคราวทุ ก, ก็ทุกชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวโลภโกรลงก็ชั่วคราวรบลบปกรลงเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปละมันนะแต่ว่าอย่าทําผิดศีลเท่านั้นเองนะอย่าให้ผิดศีลห้าเท่านั้นแต่บลบปกรลงขึ้นมานะ ให้รู้ว่ามันโลภ ใ, ให้รู้ว่ามันโกรธให้รู้ว่ามันหลงนะไม่ห้ามมันหรอกเพียงแต่ว่าไม่ให้มันครอบงําจนทําผิดศีล น, นะกันไว้แค่นั้นแหละส่วนในใจนี่ชั่วได้นะชั่วแล้วรู้ว่าชั่วนะจิตชั่วเรารู้ว่าชั่วพภาหนาเรารู้สึกไหมเราชั่วกว่าที่เราคิดใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมเออภาวนาเป็นนะถึงจะรู้สึกนะพภาวนาไม่เป็นรู้กูดีกูดีลูกเดียวเลยนะ ภาวนาเป็นเห็นเลยโอ้โหใจเรานี้ร้ายกว่าที่เราคิดนะเราไม่ได้พาวนาให้มันดีนะแต่พาวนาให้แผนเห็นความจริงว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงนะแต่ในทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยไม่ทําชั่วให้ทําดีนะเพราะว่ามันจะกระทบกระทั่งคนอื่นเขาน ะ, าะฉะนั้นทางกายทางวาจาเนี่ยมีศีลรักษาไว้แต่ทางใจปล่อยให้มันทํางาน ไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลาหรอกนะไม่มีใครดีตลอดเวลาหรอกนะไม่ดีก็ได้แต่ไม่ดีแล้วให้รู้ทันนะฟูงงซ่านก็ได้นะแต่ฟูงงซ่านเรารู้ทันนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานะถ้าขั้นทำสมถะฟุงงซ่านเราททำให้สงบคนละอันกันนะในขั้นเจริญปัญญานี้ดูอย่างที่เขาเป็น จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตโลภก็รู้นะจิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้เนี่ยรู้ไปอย่างนี้ได้ได้จิตโลภเป็นจิตอกุศลไหมจิตไม่โลภเป็นกุศลไหมเป็นไหมไม่แน่จิตโกรธเนี่ยไม่โลภแต่เป็นอกุศลจิตหลงเป็นอกุศลไหม จิตไม่หลงเป็นกุศลั้ยจิตไม่หลงเป็นถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวนะกิเลสอื่นมีไม่ได้เลยเพราะโ ม, มหะเนี่ยโค่นพ่อโค่นแม่กิเลสเลยนะตัวหัวโจกเลยล่ะงั้นะหัวโจกเลยต้องสู้กันปางตายก็สู้กับไอ้โมหานี่เองราคาโทสานี่หมูหมูนะขั้นอนัาขากละแนละ้วขั้นที่จะสู้ความไม่รู้เนี่ยนะขั้นแตกหักข้ามพ่อข้ามชาติกันตรงนี้แหละ นี่เราค่อยฝึกของเรานะพัฒนาอาศัยสติรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันศีลก็เกิดนะอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ทั้งหลายที่มายั่วให้ใจไหลไปนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดจิตใจก็อยู่กันเนื้อกับตัวนะอาศัยสตินะรู้กายอาศัยสติรู้ใจมีใจที่ไม่มีนิวร์ใจมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานนะ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางก็จะเกิดปัญญาจะเห็นไตรลักษ์ร่างกายตกอยู่ใต้ไตรลักษ์จิตใจอยู่ใต้ไตรลักษ์เบื้องต้นจะเห็นก่อนไม่ใช่เราเวลาที่เราหัดพอนาเนี่ยทีแรกเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราก่อนตอนนี้พวกเราเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเยอะนะแต่ว่ามันยังรักอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่รักอยู่ คนนอกศาสนาพุทธเนี่ยผู้เช่าบอกนะคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่เรายังเห็นจิตเป็นเราอยู่มีส่วนน้อยนะหัดเจริญสติเจริญปัญญาไปเนี้ยเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเห็นทีแรกอย่างกลัวบางคนกลัวนะบางคนรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยรู้สึกเบื้องว้างบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายนะก็ให้รู้ทันความรู้สึกต่างๆที่แทรกเข้ามาความรู้สึกแปลกปลอมเนี้ก็หายไปจิตก็เป็นกลาง ก, ก็ไปเห็นอีก เห็นเนีว่าไม่มีเราสุดท้ายจิตยอมรับไม่มีเราจิตไม่ใช่ตัวเราเพระจิตไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วถ้าเห็นกายไม่ใช่เรานะยังเหลือตัวเราอยู่อยู่ที่จิตแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนะี่ยจะไม่มีเราอยู่ที่ไหนอีกต่อไปแล้วนะมนจะแตกหักเลยตรงนั้นนะจะได้โสดา บ, บันเราเภาวนาต่อไปอีกดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปทุกวันทุกวันนะ ดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูไกลดูจิตก็ไม่ได้ดูกาก็ไม่ได้ฟุ้งมากแล้ววันนี้ทําความสงบพุโทโธพุโทโธนะอย่างที่หลวงปู่เหรียนสอนเมื่อเช้าเนี้ยนะหายใจออกหายใจเข้านะรู้สึกตัวมีสติอยู่จิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันไวนะถ้าไม่ให้มันหนีไปไหนให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วนะก็สังเกตให้ดีจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาร่างกายที่หายใจอยู่ของถูกรู้ ความรู้สึกทั้งหลายเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ค่อยฝึกอย่างนี้แล้วสุดท้ายมจะเห็นร่างกายก็แสดงใจรักษณ์จิตก็แสดงใจรักมีกําลังนะว่ากลับมาดูใจรักณได้อีกนั้นถ้าเราเห็นกายเห็นใจนะได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ก็ทําความสงบเนี่ยมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบไว้ก่อนดีกว่าฟุ้งซ่านหลวงปู่ดืลเคยสอนนะว่า ดูกานะเพื่อให้เห็นจิตนะท่านสอนอย่างนี้นะดูไกลเนะี่ยเพื่อให้เห็นจิตนะวัตถุประสงค์ของการดูไกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเพราธรรมแสดงตัวอยู่ที่จิตนะธรรมมีอะไรบ้งางอกุศลธรรมเกิดที่จิตใช่ไหมกุศลธรรมเกิดที่จิตนะโลกุตรธรรมก็เกิดที่จิตเองมรรคผลเกิดที่จิตเนี่ยทีแรกหลวงพ่อก็สงสัยนะทวนากับหลวงปู่ดูลนะก็เข้าใจนะสิ่งที่ท่านสอนลนะ นี่เราก็ออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆบ้างหาความรู้นะไปที่วัดนั้นวัดนี้เวลาครูบาอาจารย์เทศคนมากๆเนี่ยครูบาอาจารย์เทศให้ฟังส่วนมากท่านจะเริ่มพุทธโธแล้วพิจารณากา ย, อ, ยองค์นี้ก็กายองค์งนี้ก็กายแต่พอหลวงพ่อเข้าไปคุยกับท่านนะไปถามท่านท่านกลับสอนหลวงพ่อเข้าที่จิตเลยเหมือนกันหมดแล้วทุกองเข้าสอนมาที่จิตหมดเลยกระทั่งหลวงตาหลวงตามหาบัว แลซึนะ่งเป็นปรามาจารย์ว่าพุโทโธพิ่นกกาคไก่ถ้ารักษาแนวนี้นะหลวงพ่อไปถามท่านนะบอกว่าหลวงพ่อดูจิตท่านก็บอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วนะใ ห, ให้พุโทโธพุโทโธนะจิตเข้าถึงจิตตืออย่าดูจิตต่อเยสอนอย่างนี้ไม่ได้ว่าต้องไปเริ่มที่กายสัก ง, งเดียวเลยไปเจอหลวงปู่เหรียนสมัยหลวงปู่เหรียนยังหนุ่มหน่อยนะหลวงปู่เหรียนตอนนั้นยังอยู่ใ ก, ใ ก, ใกล้ๆริมแม่น้ำโขงตอนหลังท่านแก่แล้วท่านลงไปริมโขงไม่ไหวลงไหวแต่ขึ้นไม่ไหว ถ้าจะย้ายไปอยู่ข้างบนตอนที่ไปเจอท่านริมโขงอ่ะนะไปกับเพื่อนหลายคนท่านก็สอนให้ดูกายนะตอนหลังตอนท่านขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเจอทีไรเจอใครสอนแต่เรื่องจิตสอนแต่เรื่องจิตเรื่องใจหลวงปู่เทศก็เหมือนกันสอนแต่จิตใจหลวงปู่ดูลก็สอนแต่เรื่องจิตสุดท้ายลงมาที่เดียวกันนะลงมาที่จิตหมดเลยนี่ไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่ท่านพูดแต่เรื่องกายเรื่องกายก็เลยไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับ ผมต้องย้อนมาดูไก่ไหมหลวงปู่ท่านมองแบบสมเพจนะแล้วท่านก็บอกว่าเขาดูไกยเพื่อให้เห็นจิตนะไก่เป็นของทิ้งเอาอะไรกับมันนะก็ามาเข้ามาที่จิตนะไก่มันทิ้งนะทิ้งไกยไปแล้วมันถึงเข้ามาที่จิตนะครูบาอาจารย์สอนมาให้ดูไก่เพื่อจะเข้ามาที่จิตถ้าถึงจิตแล้วก็ดูที่จิตนี่นะดูจิตไม่ได้หรอกตัวยากไปที่ไก่ ตรที่ว่าดูจิตไม่ได้เพื่อไปดูกายเนี่ยอันนี้หลวงปู่สุวัสสอนนะหลวงปู่สุวัสบอกไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านนะแล้วดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบครูบาอาจารย์สอนออกแนวเดียวกันทั้งนั้นนะงั้นถ้าพวกเรามีเรี่ยวมีแรงพอนะเราเห็นจิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะดูจิตใจได้ดูจิตใจไปดูจิตใจไม่ได้หรอกค่อยมาดูกาย เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยใจเป็นคนดูดูไปดูมาบางคนมีแรงขึ้นมานะกลับไปดูจิตได้นะดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านเล่าอย่างหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านก็เล่าตอนท่านเป็นวัณโรคคนโบราณเป็นวันนรคเนี่ยตายแน่นอนนะหลวงพ่อพุธก็เหมือนกันพขเป็นวัณโรคตอนนั้นเป็นมหาพุธท่านเล่านะ นไม่สบายมากอ่ะก็ขึ้นแล้วนอนไม่มียารักษานอนก็นอนดูร่างกายมันหายใจเห็นหัวใจเต้นตุบุุนานๆอนไปนะจิตมันถอดออกจากร่างจิตมันลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานนะแล้วมองลงมาที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนอนอยู่หน้าสมเพศดูไม่ได้เลยสุดโสมนะเห็นแล้วสลดสังเวชใจบอกจิตท่านเป็นคนดูอยู่เฉยๆ เห็นร่างกายมันมันตายแล้วร่างกายมันเน่ามันเปื่อยนะเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกเนี้ยสลายตัวไปพอโครงกระดูกสลายหมดเนี้ยจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเลยเพราะไม่มีกายนะเสร็จแล้วมันยังไม่ถึงเวลาตายจริงนะจิตนั้นก็เข้ามาในร่างใหม่ฟื้นขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็าหายนะแต่ว่าไม่ตายแนตะ่ไม่ตาย ท่านเลยรู้เลยท่านเลยสอนเลยว่ามาดูกายเนะี่ยพี่นักกายไปเรื่อยๆนะสลายกายไปหมดเข้ามาที่จิตนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องบางกายนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องบางกายหลวงพ่อสุจินตนะลูกเสร็จหลวงปู่หลุยนะแต่เสร็จแล้วมาบวชกับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็สอนต่อนะว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตการที่ท่านดูกายกันเนี่ยก็ะจะเพิกกายออกปล่อยวางไปนะสไลายไปทิ้งไปเลยเข้ามาที่จิต นี่ถ้าเราเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้วเนี่ยเรื่องกายเป็นเรื่องเล็กนะกายเป็นเรื่องเล็กมันเห็นอยู่แล้วคนนอกศาสนาพุทธยังเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราเนะ่ยนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จิตต่างหากับมันเป็นเรางั้นให้คอยรู้เท่าทันเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองนะเห็นจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตใจทํางานได้เองดูซ้ําแล้วซ้ำอีกทุกวันทุกวันดูวันวันหนึ่งมันยอมรับนะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ว่ายังยึดถืออยู่ ตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราความสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยเนี่ยจะเห็นอย่างนี้พระโสดาบันแต่ความยึดถือในกายความยึดถือในใจยังมีอยู่นะคล้ายๆว่ายืมสมบัติชาวบ้านก็ามาใช้แต่สมบัติเนี่ยเราหวงไม่ยอมคืนเจ้าของนะเรายัางหวงร่างกายยังหวงจิตใจอยู่เพราะคิดว่ามันนําความสุขมาให้ถ้ามันนําความทุกข์มาให้เราจะหวงไหม อย่าสวดเราไปยืมอะไรเข้ามาใช้สักอย่างนะเราแหมมันแย่มากเลยนะอยากเอาไปคืนเร็ ว, รวๆใช่ไหมอย่าสุดไปยืมรถเข้ามาใช้สักคันนะเน่าทั้งคันเลยซ่อมทุกวันเลยไม่เคยได้เอาไปขับเลยสุดท้ายเอาไปคืนดีกว่านะไม่เห็นดีตรงไหนเลยนี่เหมือนกันนะเราต้องมาพอเราเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะขั้นต่อไปของการเดินปัญญาก็คือมาดูให้เห็นความจริงอีกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีหรอกเป็นตัวทุกข์นะ ถ้าเห็นตัวทุกข์ได้แล้วก็จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจท่านถึงบอกว่าถ้าเห็นทุกข์หรืจะเห็นธรรมธรรมะตัวนี้คือโลกุตรธรรมนะต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายเห็นกายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยก็หมดความยึดถือกายได้พระนาคามีถ้าเห็นจิตนะว่าจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยหมดความยึดถือจิตนะเพราะนั้นที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเอง ตรงที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะีจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราตรงที่หมดความยึดถือจิตก็จะหมดความยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยาจิตนี่เป็นหัวโจรของธรรมะทั้งหลายนะงั้นถ้าเราพอนาเรามีกําลังพอนะตัดตรงเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยนะดูความจริงของกายของใจนะฝึกไปด้วยต่อไปจะเข้ามาถึงจิตนะเข้ามาที่จิตนะถ้าดูได้ดูไปถ้าดูไม่ได้กลับไปดูกายดูไม่ได้อีก พูดโทไปหาย ใ, ใจไปดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่าถูกกิเลสลากเข้าไปเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจให้กิเลสมันลากเข้าไปนีกิเลสมันลากร่างกายได้ด้วยนะมันลากใจเราใช่ไหมแล้วก็ใจเราไปสั่งร่างกายเนี่ยสั่งร่างกายให้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวซ่องเที่ยวอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันสั่งถ้าไม่จิตมันสั่งนะให้กายไปทําอย่างนั้นอะ่ะเพราะกิเลสมันสั่งจิตอีกทีนึ่ง เพราะฉะนั้นกิเลสนี่แหละตัวหัวโจบัวร้ายต้องสู้กับมั น, นสู้กับมันด้วยการรู้มันรู้มันเข้าไปมีสติไว้รู้เท่าทันกิเลสอย่างหยาบความโลบความโกรยความหลงรู้เท่าทันกิเลสอย่างกลางคือนิวร์ทั้งหลายความพอใจในรูปความไม่พอใจในรูปความพอใจความไม่พอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนความฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็จะเอารูป รวบยังเสพไม่เต็มที่เลยจะเอาเสียงอีกละนะจิตวิ๊งวักแวกวกแวกไปทางตะวนะันทวหกฟุงสั้นะฟุงมากๆลำแขาใจมันอัตโนมัตินะฟุงมากๆแล้วหงุดหงิดลำแขาหรือลังเลสงสัยสงสัยมันทุกเรื่องเลยนะครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตดูใจก็สงสัยจิตเป็นยังไงจะเอาอะไรไปดูจิตอยู่ตรงไหนนะเวลาดูจะทํำยังไงคิดมากทางนั้นเลยนะคิดมากยากนาน เมื่อสองสามวันเนี้มีพระมหาหลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ครูบ า, าอาจารย์ตรงนั้นนะท่านบอกเรื่อยๆเลยว่าท่านฟังซีดีหลวงพ่อนะอ่านหนังสือก็อเห็นด้วยกับหลวงพ่อประโมททุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวหลวงพ่อประโมทชอบบอกว่าการปฏิบัติเนี้ย ง, ง่ายถ้าว่ามันยากนะท่านว่า ง, งี้นะยากนะยากลูกศิษย์ท่านนะเดินจงกรมเดินไม่ได้เดินกลับไปกลับมานะเดินไปไกลๆนะ เนี่ยมีพระมาะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านเดิน8ปดสิบกิโลเดินขนาดนั้นนะโอ้ยทรมานมากเลยพื้สู้มากเลยแล้วก็มาหาหลวงพ่อรอบหลังนี่นะหน้าใสาปิ๊งมเลยอาจารย์ผมรู้แล้วมันง่ายนะ <c oughs> ผมมันง่ายนะจริงงินง่ายนะรู้หลักเราง่ายไม่รู้หลักแล้วโอ้ยเหนื่อยแทบตายเลยไปเดินวลาแปดสิบโลเหนื่อยไหมเหนื่อย แค่เรายืนบนรถไฟหรือรถไ์วิ่งไปแปดสิบโลอย่างเหนื่อยเลยเนาะนี่ท่านเดินคิดดูนะถ้าเดินเดินเร็วๆชั่วโมงหนึ่งได้หกโลเจ็ดโลนะเด้วันละสิบเกินสิบสองชั่วโมงนะเดินอะ่ะเดินพอทรมานมากเลยแล้วท่านวัดสรุปเลยบอกว่าโอ้ผมรู้แล้วล่ะปัญญามันปิดบังปัญญาบอกมันเป็นยังไงปัญญาปิดบังปัญญา ก็เราคิดมากว่ามันจะยากเนี่ยเรานึกว่าฉลาดเต็มทีแล้วมันเลยปิดบังของจริงะจริ ง, รงไม่ยากหรอกจรจริ ง, รงไม่ยากรู้สึกตัวให้เป็นด้แล้วกันที่มันยากเพราะว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอา้าวรู้สึกตัวรู้สึกแล้วแข็งไหมถ้ารู้สึกตัวแล้วแข็งเนี่ยไม่ใช่เรียกว่ารู้ตัวหรอกเรียกว่าบังคับตัวเองนะเวลาเราไม่คิดถึงการปฏิบัติก็หลงไปเลย เวลาคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับตัวเองใช่ไหมไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกนักปฏิบัติก็เพ่งตัวเพ่งตัวจ้องตัวนะไม่ได้รู้สึกตัวต่อไปนี้อย่าไปเพ่งนะรู้สึกตัวง่ายๆไม่ต้องถามว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวแหละไม่ต้องคิดมากคิดมากยากนานรู้จักเผลอไหมไม่เผลอนั่นแหละรู้สึกตัวรู้จักจิตที่ไหลไปไหลมาไหม เออจิตที่ไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับนั่นแหละจิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตอยู่กับเด็กกับตัวเวลาเรียนนะเรียนกับข้างนะเราจะได้ไม่ตั้งใจทำสภาวะอะไรขึ้นมานะรู้จักเผลอไหมเผลอเผลอเรารู้จักเมื่อไหร่เผลอแล้วเรารว่วบเผลอเมื่อนั่นแหละ ร, รู้สึกตัวง่ายๆ่ายแค่นี้เองนะรู้จักใจที่ฟุงฟ้งไ้ยฟุ้งวิ่งไปตรงโ น, น้นวิ่งไปตรงนี้ เวลามันฟุ้งนะมันไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้รู้เรื่องราวที่คิดมันลืมตัวเองใจมันฟุ้งไปนะให้มันอยู่กับตัวเองรู้สึกอยู่ใจกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกเล่นเล่นรู้สึกเล่นเล่นนะอย่าไปบังคับมันฝึกไปเรื่อยๆไม่ยากหรอกและจะรู้ว่าธรรมะจริงๆง่ายมันยากเพราะว่าเราดิ้นรนมากเกินเหตุเราทําของง่ายให้ยากนะของอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ย เราคิดมากจนกระทั่งเราคิดว่าอยู่ใกล้ไกลนี่ผ่านอยู่ต่อหน้านะนิ่ผ่านอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองเมื่อไหร่จิตไม่ยึดในรูปธรรมไม่ยึดในานามธรรมนะนิ่ผ่านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราชํานาญสมาธิจริงๆนะดูแล้วคงเล่นไม่ได้พวกนี้ต้าพวกเล่นสมาธิจริงๆหลวงพ่อเคยพาพวกเล่นสมาธิดูนะ เอาทำสมาธิที่ใช้รูปธปรรมเป็นอารมณ์สิเราก็จับลมจิตอยู่ในอารมณ์เดียวเอาทิ้งรูปธปรรม ท, ที่ทำสมาธิที่ใช้นามมาทำเป็นอารมณ์นะนามธรรมเช่นความว่างความไม่มีอะไรความว่างก็จับความว่างสังเกตไหมมันมีตรงกลาง ไม่ใช่รูปประธรรมไม่ใช่นามธรรมแต่ว่าทรงอยู่ไม่ได้หรอกปุถุชนทรงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ปุถุชนจะทรงสมาธิที่ไม่จับรูปประธรรมนามประธรรมเนี่ยไม่ไดนะ้ไม่จับรูปก็ต้องจับนามนื้ออกไหมทำไมล่ะกลัวจะตกไปในความว่างกลัวจะหล่นลงไปในความว่างลอาทำสวดจิตถ้าไม่จับรูปก็จับนามไม่จับรูปนะก็ไปจับอรูป ไม่จับรูปก็จับอรูปดูออกไหมล้วจิตมันต้องจับในขั้นนี้นะในขั้นนี้ต้องจับนิพพานไม่จับรูปจับนามนะโดยไม่เจตนาดยถ้าเจตนาไม่ใช่นิพพานถ้ายังเจตนาอยู่เป็นอรูปเป็นอากาสา น, นใจยตนะเนี่ยเราค่อยฝึกนะจิตเราจับรูปเรารู้ทันจิตเราจับนามเราก็รู้ทันทาไมมันจับ เพราะมันเห็นว่ารูปเป็นของดีนามเป็นของดีนะรูปก็ดีอารูปก็ดีนะเออจับอย่างนั้นคอยรู้ไปนะไม่ต้องหัดก็ได้นะไม่เหมา ะ, ะหลายคนเพราะว่าหน้าตาเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้สมาธิอะไรมากมายนะเนาะส่วนใหญ่จะเป็นฟุ้งเก่งคนไหนมีความฟุ้งสัน้นเป็นอาพอรงฟุ้งทั้งวันมีไหมไม่ต้องไปคิดนะเรื่องสมาธิสมาธินะ ชาญเชิญอะไรไม่ต้องเอาของที่เรามีดูของที่เรามีเรามีอะไรเรามีร่างกายเรามีความรู้สึกเนะี่ยดูอย่างนี้ไปด้วยนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่มีเรานะต่อไปก็เห็นว่าไอ้ที่มีมีแต่ทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วจิตจะวางเนี่เห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมธรรมะอันนี้ก็คือนิพพานนะจะเห็นเองฝึกไม่ฝึกไม่มีทาง ฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่ได้กินหออกต้องปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้มากๆด้วยทุกวันต้องทําไม่งั้นกิเลสเอาไปกินหมดนะกิเลสนะขยันที่สุดเลยไม่มีวันลาพักร้อนเลยนะกิเลสนะพักผ่อนประจําปีไม่มีไม่มีลากิจไม่มีลาป่วยเลยกิเลสเนะี่ยส่วนพวกเราลาเก่งใช่หไหมการปฏิบัติเดี๋ยวตอนนี้ขอลาไปเที่ยวก่อนขอลาไปดูหนังก่อนนะ ขอลาไปโน่นไปนี่ก่อนแ เ, เราไม่จะสู้กันไหวเหรอนะขยันหน่อยก็แล้วกันนะชาตินี้ยังสู้ไม่ได้ยังไม่ชนะชาติหน้าก็ชนะเอาถ้าไม่เริ่มสู้ตั้งแต่วันนี้นะชาติหน้าก็แพ้อีกนะถ้าเราสู้ได้ดีก็เริ่มชนะตั้งแต่ชาตินี้แหลนะเอาให้ได้โสดานะก็ปลอดภัยหน่อยนะอยังทุกอยู่แต่ว่าทุกก็ลดลงไปเยอะแล้วล่ะ อย่างเวลาอะไรเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตเรามากๆนะสามีทิ้งอนะไรเงี้ยธรรมดาตัวเรายังไม่มีเลยไม่ทุกเท่าไหร่ทุกนิดหน่อยทุกเพราะแค้นใจเมึงหักหลังกูขนาดว่ากูไม่มีนะอา้าส่งกันบ้านนมัสการค่ะพฟังซีดีพ่อมาประมาณเกือบสามปีมคือครั้งแรกที่ฟังนี่คือ คุณพ่อป่วยผ่าตัดสมองพี่สาวก็เลยเอาซีดีหลวงพ่อมาเปิดให้คุณพ่อฟังก็เวลาเฝ้าคุณพ่อก็จะได้ยินไปด้วยแล้วก็ฟังแรกๆคือจะไม่เข้าใจแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟังมาตลอดทีนี้เมื่อสองปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วกับปีเนี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สวิปัสสนาดูเวทนาคือ ระหว่างที่ดูเวทนาในร่างกายไปเรื่อยๆนะคะ อ, อ, อยู่ดีๆเหมือนจิตจะเข้าไปสู่ภาวะหนึ่งที่แบบ เ, เหมือนรู้สึกตัวไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนสมองมันก็โล่งตอนนั้นเหมือนสมองมันโล่งแล้วก็ไม่คิดอะไรนะคะคือกับเรียนถามหลวงพ่อว่า คือสภาวะอย่างนั้นมันคือสภาวะจิตไม่เข้าสมาธิ<ใ> น, นะเป็นเรื่องของสมาธิแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่เราดูเวทนานียเราเพ่งเวทนาเราให้จิตจดจ่ออยู่กับเวทนาอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตก็รวมลงไปนะไม่จะตัดการรับรู้โลกภายนอกไปมันจะเบลอๆหรือหายไปเลยเนะหลือความรู้สึกตัวเหมือนครึ่งๆครึ่งหลับครึ่งตื่นนะนั่นเป็นเรื่องของสมาธินะ ตรงนั้นเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวอย่างเดินปัญญาไม่ได้สแสดงว่าวิธีที่เราดูเวทนาเนี่ยยังไม่ถูกเราต้องดูเวทนาอีกแบบหนึง่งมีใจเป็นคนดูสบายๆเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนี้เราเอาจิตของเราไปจับเข้าไปที่ตัวเวทนาอาการอย่างนั้นถึงเกิดขึ้นนี่เราให้เห็นร่างกายก็อันหนึ่งเวทนานอันหนึ่งจิตอันหนึ่งต่างคนต่างทํางาน ร่างกายก็ทํางานของร่างกายเวทนาก็ทํางานจิตก็ทํางานนะดูคนเราเชิญก็เห็นเขาทํางานของเขาเองแต่ละตัวไม่ใช่รับสักตัวเดียวอย่านั้นจึงจะเกิดตัญญาอย่าไปเพ่งงานะนั้นเพ่งเวทนาแล้วถ้าจะปฏิบัติดูจิตของหลวงพ่อต่อไปนี่คือจะต้องไม่จําเป็นเนะแค่ว่ามีจิตเป็นคนดูเราถนัดดูเวทนาเราก็เห็นกายเห็นเวทนาทํางานแต่จิตเป็นคนดู ไม่จําเป็นต้องดูจิตน ะ, ะหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนให้ทุกคนดูจิตด้วยหลวงพ่อบอกว่าแต่ละคนนะต้องทํากรรมฐานที่ตัวเองถนัดแต่ว่าไม่ว่าจะดูกายก็ต้องมีจิตเป็นคนดูจะดูเวทนาก็ามีจิตเป็นคนดูจะดูกุศลอกุศลที่เกิดก็มีจิตเป็นคนดูนะจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้เพ่งนะจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยต้องหลุดออกจากความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกหลงไปคิดไปนึก หน้าหนึ่งเป็นผู้เพ่งเอาไว้เปลี่ยนจากผู้คิดผู้เพ่งนะมาเป็นผู้รู้เป็นคนดูแล้วถ้ามีจิตอย่างนั้นถึงเดินปัญญาได้จริงไม่งั้นติดสมถะนะจยติดสมถะอ่ะต่อไปครับก็ขอรัฒนาบูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็นมัสการหลวงพ่อปามโมทปามโมทดโชนะครับก็ ผมนี่เพิ่งมาแต่ลองชินครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาเห็นแล้วก็ปลื้มใจว่าโอ้โหญาติโยมเจอกยดีกว่าไม่ถามอ่ะหลวงพ่อถามเองครับคอยตอบนะครับผมจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติไหมครับใช่ครับเออเห็นไหมปีติครอบงําจิตได้ก็รู้ลงไปเรยตรงๆับรู้ลงไปซิปีติที่จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่คิดนะครับดูลงไปดูลงไปเฉยๆเห็นไหมมันลดลงละ ต่อไปความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละครับนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เหมือนที่ปิติเกิด น, นี้แหละครับนะเพราะงั้นอารมณ์เนี่ยอย่างตอนนี้อารมณ์ที่เป็นกุศลมันครอบงําจิตครับนะมันก็ได้กุศลนะแต่มจะไม่ได้มรรคผลต้องไม่ถูกกระทั่งกุศนครอบงำเพรานะงั้นปิติเกิดที่มาเรารู้ทันลงไปนะมันก็จะดับไปเกิดดับให้ดู แล้วก็ถ้ากิเลสเกิดเราก็รู้ทันแบบเดียวกันเนี้ยมันจะเกิดดับให้ดูฝึกบแบบนี้นะครับไปทําให้มากผ่านอาจารย์มัตสการพระอาจารย์ค่ะส่งการบ้านคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตไม่มีกําลังอะค่ะก็อะไรนะจิตไม่มีกําลังค่ะออทีนี้ก็ไปทําในรูปแบบเพิ่มอ่ะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมีกําลังมากขึ้นออแล้วสามารถจะดูได้เ อ, อถ้าถูกแล้วละ่ะแล้วก็มีอะไรต้อง ปรัปรงหรือเพิ่มเติมทำสม่ําเสมอ น, น, นะแล้วอย่าหวังผลถ้าเราหวังผลว่าจะต้องได้เร็วๆนีเราจะทําได้แล้วก็หมดแรงอย่างรวดเร็วเลยเช่นเราคิดว่าทําอย่างนี้สักสามเดือนคงจะได้ผลแล้วล่ ะ, ะทําไปสามเดือนแล้วยังไม่ได้เลยเข้าใจอย่างโลภอยู่นะก็เลยเบื่อไยนจะท้อใจซะ ก, ก่อนต้องคิดว่าเราจะทําทั้งชาติเลยตั้งใจอย่างนี้นะปฏิบัติมันทั้งชีวิตนี่แหละที่ทําอยู่นะดีขึ้นแล้วล่ะ ใจว่าจะปฏิบัติตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลช่างมันจะทําต่อไปเออต้องดังนั้นต้องใจขนาดนี้แหละสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้นะขันมันเริ่มแยกแล้วใช้ได้กลับนมัสการหลวงพ่ออภิษฐรักษ์โชว์ครับปีติแล้วใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อนี่ให้รู้ทันใจใจไหลไปรู้ทันนะอืไม่งั้นเดี๋ยวจะตายไปเป็นเทวดา มีแต่ปีติครั้งนี้เป็นมาสาราหลวงชินเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นครับฟังซีดีหลวงพ่อปาโมทด์มาประมาณสองสาปีมาโดยตลอดนะนะครับแล้วก็ถือเป็นครูบาอาจารย์ที่เวลาเราปฏิบัติสมาธิผมจะเกิดดีคือตอนขับรถแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปตลอดนะนะครับจิมันก็มันตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไร นะครับพอเริ่มเริ่มสังเกตตัวเองก็จะเห็นความคิดที่มันวิ่งไปวิ่งมามนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำในรูปแบบนะครับพอทาในรูปแบบเสร็จพอสมาธินิ่งคือพอตอนแรกก็คือใช้การนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นสรณานาครับก็ดูลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจเข้าออกแล้วเบาเบา น, น, นะครับแล้วก็ก็มาจับที่ความคิดนะครับเราก็จะเห็นความคิดที่มัน วิ่งไปวิ่งมามบางทีก็ไปดู ก, กายบ้างใจบ้างคือสลับกันนะครับ อ, อะไรที่เราเห็นชัด<อ>ใจมันก็จะไปหยู่ตรงนั้นนะครับเสรแล้วล่ะพอหลังพอหลังจากนั้นคือสังเกตว่าความคิดจะเกิดขึ้นคือมันจะมีภาพขึ้นมาก่อนออืพอภาพปุ๊บถ้าเกิดเราไม่ทันภาพภาพมันก็จะเล่าเรื่องที่เราคิดพอเราเห็นว่าจิตที่มีภาพเล่าเรื่องเสร็จภาพตรงนั้นก็หายไปก็จะก็จะมีความคิดใหม่เกิดขึ้นมา ย่งเงครับตลอดเวลาก็อาศัย ส, สัญญานะสัญญาจำภาพได้ถ้ททำให้สังขารปลุงให้จิตมันปลุงต่อปลุงดีปลุงชั่วอะไรก็ปลุงหรืออาศัยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็ทำให้จิตปลุงได้นะครับถูกแล้วเหตุถูกแล้วมีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่าใจทอนนะไม่คลดกว้ามากโง่โ ง, งไวยงงง้ยิ่งโง่ยิ่งดีนะ ดูซื่อๆอะไรปรากฏขึ้นมาก็รู้อะไรหายไปก็รู้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากหรอกนะดูไปสบายๆง่ายนะจะไปคนกวาาเยอะปัญหาใหญ่คือฉลาดเกินปัญญามันเยอะต้องระวังตัวนี้แหละครับครั้งนี้ก็เป็นวันนี้นะครับขอถือโอกาสวันนี้เป็นวันเกิดของผมด้วยแล้วก็มาที่นี่ครั้งแรกก็ สิ่งที่ผมได้ปฏิบัติมาขอถวายเป็นพุทธบูชาสังฆบูชาาุพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาครับขอบคุณครับสาธุสาธุรับมัสการพอครับ อ, อผมขอส่งกลับบ้านนะครับผมจากการที่ได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้นะครับการ เ, เรียนรู้กายใจนะครับตามความเป็นจริงนะครับตลอดห้าเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจาก ครั้งที่แล้วที่ผมได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการที่ผมได้ได้ได้เรียนรู้โดยโดยใช้อยายทานะทั้งหโดยเข้าสู่ให้ธรรมชาติเป็นตัวสอนกับผมนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อได้แนะนำให้ผมได้รู้เข้าไปลึกอีกนะครับว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยอย่าให้จะ อ, อย่าให้เพียงแค่กระทบ นะครับให้รู้ลงไปนะครับว่าในสุขหรือทุกหรือเฉยเฉยนะครับในระยะเวลาห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้กายใจกับสิ่งที่กระทบเข้ามานะครับคือเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าพอมันกระทบเข้ามาเราก็คือแค่กระทบแต่พอเราเห็นกระทบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสุขแล้วก็เห็นทุกเฉยเฉยตอนแรกๆเนี่ยมันเห็น มันจะมีช่องว่างตรงนี้ยค่อนข้างว้างนะครับพอฝึกไปบ่อยๆไปบ่อยๆไปบ่อยๆไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยมันเริ่มแคบลงแคบลงแคบลงจนเหมือนกับจะเป็นเส้นตรงเส้นที่มันติดกันแต่มันมันยังไม่ติดนนะครับอืฮซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าพอพอจิตมันมันมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันรู้มันก็จะมีสติรู้ทันทีแล้วมันก็ก็จะดับไปจนจนณปัจจุบันบางทีนะครับมันไม่รู้ว่าเรื่องราวที่กำมันจะคิดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอื ก็คือถ้าอยู่ทางโลกก็ต้องตั้งใจคิดนะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีธุระจะคิดเราก็ฝึกของเราอย่างนี้ได้เราจะเห็นได้ว่าจริงๆเรามีชีวิตอยู่ช่วงขณะจิตต่อหน้านี่เองมีชีวิตอยู่ช่วงขณะจิตนี่ยเลื่อนไปอดีตก็ไม่มีแล้วในอนาคตก็ไม่มีแล้วเราเห็นในอยู่ขณะปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราสักอันเดียวเลยดูลงไปทุกอยา่างว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน ไม่ต้องคิดเอาหรอกครรู้สึกอยู่กับปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวมันเห็นเองนะของคุณราได้ดีนะวานาใช้ได้เลยแล้วคือคือมันมันเหมือนกับว่าพอมันรู้สึกพอมันมีความรู้สึกมันกระทบมาแล้วมันรู้ครับว่าสูบปุ๊บเนี่ยเพราะมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งครับว่าเป็นเฉยๆขึ้นมาครับแล้วมันก็หายไปต่อใช่แล้วมันก็จะมี มีเรื่องที่กลับเข้ามาต่อบก็มีคิดเข้ามาต่อมันก็จะรู้แทตนตอบนั่นแหละ<ต>นั่เรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่นะไม่ใช่ไปทําจิตให้ว่างๆแต่เราเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดั บ, บว่าง ๆ, ๆเกิดแล้วก็ดับคบนะนั่นแหละเดินปัญญาอยู่นะครับแล้วโอเคครับขอบคุณพระแล้วอีกคําถามหนึ่งจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่เบื่อหน่ายนะครับผมว่ามันเกิดจากโทสะหรือเกิดจากนิพิธานะครับหรือก็จากปัญญานะครับ ซึ่งผมก็ได้มาลองลองพิจารณากลับมาดูครับว่าไอความรู้สึกที่เกิดจากจากโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีอยู่อืนะครับมันคือเห็นว่าพอมันอยากสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือไม่คือคือไม่อยากสิ่งนี้แต่อยากอยากสิ่งนี้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยจากการที่เราฝึกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยไอตัวสติมันเข้ามากระชับทันทีครับว่าไอความอยากมันก็จะปุ๊บขึ้นมารู้ทันปุ๊บมันก็จะหายไปออ อ น, นีคือนี่คือเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาชนะมันหรอกนะแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับทุวอย่างว่งมีขึ้นมาแล้วก็หายมีแล้วก็หายนะครับฝึกไปอย่างนั้นแหละทำดีแล้วเราผมก็ได้ได้เหมือนไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้เจอบททดสอบค่อนข้างยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราฝึกมาปุ๊บเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่ความซึกงว่าถ้าเกิดไม่ได้ฝึกเนี่ยครับมันต้องเป็นทุกข์มหาศาลมากๆกลายเป็นว่าผมมองว่า มันทุกสั้นสั้นแทบนิดเดียวเองอะครับก็จะทุกจะสูงมันก็อยู่กับปัจจุบันนะครับอดีตหนักคนมันไม่มีอยู่แล้วครับมันทุกอย่างมันสั้นนิดเดียวแหละปัจจุบันสั้นนิดเดียวดีแล้วละไปฝึกีกอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะอยู่ ขอถวายสิ่งที่ได้เรียนรู้ทางกายใจความรู้สึกที่เป็นจริงนะครับผมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาบิดามารดาแล้วก็คุณบาอาจารย์ท่านดีแล้วโมรนาแบบกัารหลวงอ่อจะรู้สึกกลัวด้วยการทํางานตรีนี้อายุมากกลัวว่าต่อไปแล้วจะไม่มีแรงทํางานจะรู้สึกกลัวยากคนหน้าถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยต้องอาศัยร่างกายช่วย แต่ต่อไปเราเกิดเดินไม่ได้ทํางานไม่ได้นะเราเช็คเนี้ยขยับเนี้ยขยับขยับไปแล้วรู้สึกเอาขยับแล้วรู้สึกเอาคงยังมีแรงเหลืออยู่นะเนี่ยเรารู้สึกอ่ะเห็นตัวนี้มันทํางานไปไม่ก็เห็นจะเห็นโดยการกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำเนี่ยจะเห็นตัวมสติของโยมอ่ะพื้นมันชี้โมโหนะเพราะงั้นถ้ากวาดบ้านถูบ้านไปแล้วใจโมโหขึ้นมารู้ทันนะ ใจมีความสุขก็รู้ทันใจโมโหก็รู้ทันนะค่อยรู้ทันใจไปด้วยต่อไปแก่แล้วลุกไม่ได้ใจเป็นหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนะมาดูจิตต่อไปเลยหล <c oughs> ออวงพ่อเคย อ, อ, อบอกให้ดูตัวอยาว่างเพราะท่นั้นได้สงการบ้านแล้วก็ดูก็เห็นชัดขึ้นนั่นแหละนะจิตมันก็พัฒนาขึ้นรู้สึกไหมล่ะใจมันก็คลายออกเงินเบามันคลายออกแล้วจะพอเหรอะหลวงพ่อ คืออะไรถ้าสมมติเพราะเราต้ไม่ได้ยินอ่ะยกมาอย่างนี้เพราะเราแบบปกตินี่จะต้องเดินทํางานอะไรอย่างเงี้ยหากถึงจนรู้สึกตัวได้ดีนะคะหัดใหม่ๆก็อาจจะอย่างนั้นนะแต่ต่อไปพอชํานาญขึ้นเนี่ยก็ทําอย่างนี้ม า, ายขยับตัวนิดเดียว ก, ก็ก็รู้สึกแล้วล่ะทําอย่างนี้มาหลายปีหกปีแล้วค่ะก็ยังเป็น อ, อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยให้ดูทันใจเนียใจเรามีโทสะแทรกเห็นไหมมันไม่ได้อย่างใจรู้สึกเนี้ยให้เรารู้ทันใจเข้าไป รูไปด้วยใจที่สบายๆดูไกลแล้วก็ดูใจตอนเนี้ดูใจไหวแล้วดูใจไปดูใจได้โยมปฏิบัติมาถูกต้องแล้วน ะ, ะถูกภาวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วกราบรัปการของพ่อค่ะโยมเห็นไหมละ่ะเวลากวาดบ้านถูกบ้านน่ะไอ้ตัวที่กวาดบ้านน่ะมันถูกรู้ใจเรากะร่างกายนะคนละอันกันนะ นี่เป็นอย่างนี้ค่ะถ้าทำไปแล้วมั <ạ> เนเจอมดนะคะบัญชีก็ต้องฆ่ามันจะบาปมากนะคะบาปก็จะทํายังไงอะคะเพราะว่าก็ปชาดมดออกไปทิ้งบาปน้อยหน่อยถ้าเจอเราก็ต้องฆ่าเจตนาฆ่าเนี่ยบาปมากบางครั้งก็เจตนาบางครั้งเจอก็บาปบ้างไม่บาปบ้างอ่ะต่อไปกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะปีที่แล้วหลวงพ่อบอกแนะนําว่าให้ไปทําคําสงบค่ะ ก็เลยใช้บริกรรมในชีวิตประจําวันค่ะก็ช่วงหลังพอตื่นขึ้นมาจิตก็ไปจับคําบริกรรมค่ะแล้วก็พบว่าเมื่อก่อนนี้เห็นแต่ความโกรธค่ะช่วงหลังเห็นความอยากอพอรู้สึกเลยว่าพออยากปุ๊บ ก, ก็ทุกปั๊บค่ะที่หลวงพ่อเทศตะกี้นะพออยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเลยค่ะก็ปฏิบัติไปอย่างนี้ทุกวันค่ะหลวงพ่ อ, อ ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำเพื่นเติมทำถูก <ใจ S 1> แล้วนะทำถูกแล้วทำไปสม่าเสมอทุกวันทำอย่างนี้แหละนะแล้วจิตเขาพัฒนาของเขาเองแหละนะรับน้ำมัส ก, การใช้ได้นะรู้สึกไหมใจมันผปใสกว่าแต่ก่อนนะทำน้ำมัส ก, การหลวงพ่อค่ะ เริ่มปฏิบัติมาห้าเดือนแล้ว่ะคะตามรู้ลมหายใจแล้วก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงมีวันหนึ่งตกใจมีคนมาเคาะประตูอะค่ะกาลังนั่งสมาธิแล้วมองมองเห็นขาเป็นท่อนๆอะค่ะเห็นอะไรนะขาค่ะเห็นขาค่ะลุกขึ้นค่ะจะไปเปิดประตูก็เลยเดินไม่ได้อ่ะค่ะก็เห็นขาเป็นท่อนๆขาไม่ใช่เราหรอกใช่แล้วก็ดีอยู่ เอก็ทําอย่างนี้ทุกวันนะคะใช่แต่ต้องเหยียดขาก่อนให้ขาเดินได้ก่อนค่อยเดินนะค่ะก็ยืนเฉยเฉยเออไม่งั้นเดี๋ยวล้มค่ะแล้วก็ความโปวดก็น้อยลงไปเข้ามารวมกับใจอ่ะเออนะะฝึกอย่างนั้นแหละกิเลสก็ส่วนกิเลสนะจิตที่ก็ส่วนจิตโกล้อันกันคือไม่ไม่เข้ามารวมเมื่อก่อนเคยโปวดที่สี่วันกรดนานกวดนานค่ะ ช่้งโกรธค่ะออกกันบ้านนะคะได้ทำอีกทำถูกแล้วนะส่วนโยมเนี่ยคอยรู้ทานปีติไว้นะโอ้เจอหลวงพ่อแล้วปีติลูกเดียวนี่ขอบคุณค่ะกลับนันสการพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์มาหลายปีครับก็ในรูปแบบก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งทำสมาธินะฮะ ก็เดินจงกรมบ้างหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเดินจงกรมทุกเช้าก่อนไปทํางานแต่ว่าระยะหลังมีเหตุจําเป็นก็เดินไม่ได้แต่ก่อนที่จะมาเนี่ยนะฮะได้เดินจงกรมในห้องแคบๆที่ห้องนอนนะฮะปกติ15นาทีก็เหมือนนานแล้ววันนั้นระลึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ว่าให้มีศรัทธาระลึกถึงคำที่ท่านที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีวิริยะนะฮะก็ เกิดศรัทธาขึ้นวันนั้นเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงโดยไม่ oh. ไม่เหนื่อยนะครปิติก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้ที่มาเนี่ย เ, เห็นอนัตตาของจิตนะครตั้งแต่ถูกเรียกชื่อมานั่งตรงนี้เนี่ยบังคับไม่ได้เลยนะครับ oh. จิตมันบังคับไม่ได้มันก็ไปสั่งกายเต้นทุกๆๆๆนะฮะ oh. จนกระทั่งไม่ใกล้ถึงก็ยังเป็นอยู่นะฮะเวลาที่เผลอไปฟังหลวงพ่อมันก็จะหายไป oh. <ๆ>เวลากลับมาดูอีกมันก็ กลับมาเต้นเองครับนะครับก็มีปิติอยู่ครั้งในในวันนี้ก็คือช่วงที่พระอาจารย์พูดถึงหลวงพระพุทธนะฮะที่ว่าท่านป่วยเป็นบรรลโรกมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมก็ป่วยเหมือนกันนะฮะก็เลยนอนทําสมาธิครับดูเราหายใจไปปรากฏว่าสักพักหนึ่งมันมีสมาธิเข้าลึกมากครับเเห็นจิตมันแยกมาจากกายครับ<ๆ>เห็นกายนอนอยู่แล้วก็เห็นอ กายก็ค่อยสลายไปแล้วกายเป็นก้อนนะฮะกลมๆ ม, มาแทนร่างกายของเรานะครับแต่และก้อนอีซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วก็เต้นกันตุกตับตุกตับไม่เป็นจังหวะของใครของมันนะฮะแยกกันไปจิตมันก็มีปิติฮะมันเห็นอ่ะนี่เหรอที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นรูปที่แท้จริงแล้วมันก็มีปิติแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เข้ารวังไปแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาโรคภัยแค้เจ็บมันก็หายหมดครับ ก, กำลังของสมาธินะเวลาทำสมาธิได้จินเป็นกุศลอาศัยบุญกุศลที่เกิดขึ้นอาศัยกำลังของปีติที่แก้โรคได้ไ ด, ไดีได้ไเห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์เห็นนะตอนนี้คือช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะว่าได้ลาออกจากงานแล้วก็อยากจะ ม, มาบวชปฏิบัติครับอยากจะขอคาแนะนาจาก พระอาจารย์ว่าผมควรจะดูกายดูจิตยังไงครับมีอะไรให้ดูดูนั้นแหละครับนะเวลาเราภาวนาสายกายสายจิตอะไรนี่นสำหรับคนหัดใหม่หรอกแต่ว่าพอเราสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะตัวอะไรเด่นมันก็เห็นนั้นนันแหละแต่ไม่ว่าจะเห็นตัวไหนทุกตัวไม่ใช่เราหรอกรกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอย่างใจนี่มันทำงานได้เอง มันตื่นเต้นได้เองเห็นไหมมันโลภมันโกรธมันหลงได้เองมันเผลอก็เผลอเองนี่ดูของจริงไปเรื่อยๆของหยกก็ใช้ได้นะดีแล้วละ่ละทําอีกครับคือเพื่อให้การปฏิบัติของผมก็จะได้ไม่ติดขัด น, นะครับผมเจตนามาจริงๆวันนี้ต้องการขอขอมาพระรัตนตรนะครับพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายครูบ า, าจารย์ทั้งหลายแล้วก็หลวงพ่อประโม a mod ป harma โชด้วยครับขอ โปรดโหติกรรมอโปรดกรรมาโทษให้แก่ผมด้วยครับสาธุสาธุนะดีแล้วล่ะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะว่าไงตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่งเหมือนฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วแต่ว่าเหมือนเพิ่งเริ่มได้เข้าเพิ่งเริ่มเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่งเริ่มว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลย ถ้ามาของพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนคนได้เร็วมากเลยนะสังเกตไหมใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนะี่ยต่างกันละปัญหาก็ยังมีอยู่ใช่มความทุกข์ก็มีอยู่นะแต่ ใ, ใจมันอิสระมากขึ้นมากขึ้นนะดีทำถูกแล้วขันก็แยกแล้วนะรู้สึกไหมแต่รู้สึกว่าจะติดดีอะค่ะหลวงพ่อนะช่วงนี้เราก็จะเห็นทันว่าแบบ ตัวเองดีจังอะไรเงี้ยค่ะเหมือนประมาณนี้นั่นแหละถูกแล้วล่ะนะไปฝึกไปมีคำฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพุทมัสการหลวงพ่อค่ะตอนบ้ายเขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันโล่งๆว่างอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยกลับไปดูก็รู้สึกว่าตั้งมั่นขึ้นหน่อยนึงก็ทราว่าถูกหรอเปล่าคะถูกนะอย่าให้จิตไปอยู่ข้างนอกนะ ถ้าอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่นานนะตายไปไปเป็นพระพร่มด้วยนะพระพุทธเจ้ามาเทศก็ไม่สนใจฟังฉันจะว่างอย่างเดียวไม่ทราบว่ายัางอยู่ในร่องในรอยไหมคะก็ดีขึ้นนะคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆแ่ร่างกายเราเป็นยังไงร่างกายเราหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเรายิ้มร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึ ก, สกดูดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆ ก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะกับนักเสการหลวงพ่อประโมทกับผมเมื่อต้นปีได้มีโอกาสไปเก็บกรรมฐานนะไปเดินจงกรมขณะที่เดินเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีภาพปรากฏขึ้นมาแล้วก็สักพักภาพนั้นมันก็เริ่มปลุกเป็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเดินปอีกห้าเก้าเอะใจไอ้ภาพนั้นก็จะหายหมดก็ มันก็รวมมาเป็นตัวเรามันเดิมเออครับก็เลยไอท้ที่คิดว่าทําถูกมาตลอดเนี่ยพอไปเห็นภาพตรงนั้นเพิ่เข้าใจเลยอ๋อมันมันอย่างงี้นี่ตอนนี้ก็เลยมามันมาพยายามอ่าทําทําในรูปแบบแล้วก็อยู่ในในกรรมฐานของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเก่งไปเรื่อยๆดูนะดูธาตุดูขันแล้วทำงานเรื่อยๆนะใจเราเป็นแค่คนดู แต่เราไม่รักษาผู้รู้นะครับอย่างตอนนี้ประคองตัวรู้ไว้นะมันตื่นเต้นมาประคองเอาไว้ครับแข็งแข็งให้มันแก่แข็งถ้าดูเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ในช่วงนี้มันมันจะติดไอ้ตัวไปเห็นมันเหมือนจิตมันเหมือนแมงหวีครับมันยุบยับยุบยับไปเรื่อยๆเออเออดีบุ้งซ่านไปเรื่อยๆอะมันมันหมุนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะครับมันให้มันหยุดมันก็ไม่ไม่ไม่มหยุด มันจะหยุดเลยนะมันจะวนอยู่งั้นนะมีแต่สมถะดีไหมครับสมถะาไว้พักผ่อนเวลาดูตัวมันไหววบ้ไปเรื่อยนะแล้วเหนื่อยเราก็ทําสมถะนะมีแรงก็มาดูดูห่างๆใจเราไม่เข้าไปคลุกกับมันเพราะคุณดูห่างๆเป็นแะแต่แต่พอดูถ้าไปคลุกเมื่อไหร่มันความมโกรธมันจะเร็วกว่าเดิมใช่มันจะเข้ามาสู่ใจเลยครับดูห่างๆดูไม่คนวงนอกแต่ไม่ได้รักษาให้ห่างนะ ไม่จงใจให้ห่างถ้ามันห่างเองใช้ได้แต่จงใจดึงออกมาเงี้ยใช้ไม่ได้จะ แ, แข็งไปจะ<อ>ให้เปลี่ยนธรรมชาติขอกราบขอบคุณครับดีภาวนาใช้ได้พวกเราภาวนาเก่งกันขึ้นเยอะนะทั้งคนที่ส่งกันบ้านคนไม่ส่งกันบ้านดีหมดแล้วเนี้ยครับโอกาสสุดท้ายนี้ขอ เป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหลงชินนะครับกล่าวคำถวายทานครับขอให้ทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชว์ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทิน ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินนางเกตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัชันตูสัพโรโควินัสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภาะอาพิวาธนาศีลิสนิจังมุทธาพจายโนจตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพะลังพวกเรามีโอกาสดีกว่าคนต่างชาติเยอะนะคนประเทศอื่นอะไรเนี่ยเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาก็ยังอุตสาห์ฟังนะ งั้นพวกเราฟังรู้เรื่องก็ขยันภาวนาหน่อย